ก็หมูส่สัตว์เนี่ยตกอย่างนี้จริงๆพวกอุดเชินี่เขาเรียกว่าพวกเลยทงพวกสาตตาเขาเรียกว่าพวกลาหลังอันพวกที่ไม่รู้จักสมุทัยหรือไม่รู้จักตันหานี่นะพวกนี้ก็จะตกในฝ่ายอุดเชิดทาทิ่ถิส่วนใหญ่อันพระองค์ก็แสดงสมุทัยศาสตร์เพื่อให้เห็นให้เห็นสัมมาทิฏฐิที่จะเข้าไปละอุดเชททิดท อันนั้นถ้าคิดอย่างนี้ก็ได้ถ้าเรามีตาแล้วตาเราเนี่ยแตกทาลายไปตกลงจะมีตาอันใหม่หรือไม่มีเนี่ยนะคือปกตินะถ้าถ้าคนตายก็คืออะไรก็คืออินรีห้ามันใช้การไม่ได้หรืออินรีหมันเลิกใช้การเนี่ยนะตาจากขุน4ีเสียโสตินรีเสียคานินียนเสียชิวหินซีเนี่ยมันเสียลงอะไรกกายินรีเสียแล้วก็ มนินนซีเนี่ยแตกดับไปพอพวกอุเฉททิธิเนี่ยเขาถือว่าเมื่อตาเสียหายไปก็จบเลยแต่เขาไม่รู้ว่าอาศัยตานี่เขาทํากรรมเอาไว้เท่าไหร่เพื่อให้มีตาอีกเนี่ยนะเขาเขาไม่คิดในลักษณะนี้หรอกว่าเขามีหูหูอันนี้เสียหายไปเขาทํากรรมตอนที่มีหูไว้เท่าไหร่เพื่อให้มีหูอีกต่อไปเนี่ยนะ อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่เขาเขามีอยู่อย่างในพบเนี่ยนะอย่างมากมายเนี่ยจริงอ่ะเขาเชื่อมตาหูจมูกลิ้นกายใจอันใหม่เอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วเพร่นะพันถ้าสิ่งนี้แตกทำลายไปก็ถือเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจอันใหม่ไม่แน่อาจจะไม่ครบนะอาจจะตาขาดได้ไหมได้หูเสียได้ไหมได้เกิดมาแล้วเสียจมูกเลยได้ไหมได้ เกิดมานะ่ะไม่มีตาหูจมูกลิ้นเลยได้ไหมได้แต่ว่าหลังจากคลอดแล้วอาจไม่ได้แต่หมายความว่าตอนอยู่ในครันเนี่ยได้ถ้าถ้าดูภาพเด็กในครันนะเด็กในคันตอนที่อยู่ในคันพอคลอดมาก็ตายคือมีเฉพาะส่ว น, ส, วนส่วนอกลงล่างนี่นะแต่ส่ว น, ส, วนส่วนตั้งแต่คอขึ้นไม่มีนะก็มีชีวิตอยู่กับเขาเหมือนกันนะแต่ว่าเฉพาะในคันอาศัยบุญแม่เลี้ยงเอาไว้ก็หลังจากที่คลอดออกจากแม่เด็กขาดก็ ตายเลยทั้งตัวไหนที่เชื่อมให้ให้กรรมให้ผลก็ตัวสมุทยัยแต่พวกอุดเฉททื้ทั้งททั้งหลายว่าสิ่งเหล่านี้แตกทําลายแล้วก็ศูนย์เลยหมดเลยเพราะไม่เคยกําหนดสมุทยัยคือไม่กําหนดปัจจัยนะทีนี้ที่กําหนดปัจจัยเนี่ยแรกๆเลยท่านให้กำหนดเรื่องกรรมก่อนแต่ที่กรรมมันให้ผลก็เพราะตัณหานั่นแหละ มันถ้าตายแล้วเข้าตายแล้วแต่ก็เสียใจยกใหญ่เลยนะเราไม่คิดว่าเขาเกิดเรียบร้อยแล้วแต่ก็ถ้าถ้าเข้าใจธรรมะดีนะถ้าเกิดใหม่แล้วก็คงไม่ค่อยตกในสัตตะใช่ไหมแต่ถ้าเป็นบางรัฐที่เนี่ยบอกว่าตายแล้วก็คือเขาไปสู่ที่อะไรนะเข้าไปสู่ที่ดินแดนแห่งความสงบแล้วพวกนั้นก็ตกเป็นสัสตะ เช่นว่าตายจากที่นี่แล้วเข้าไปอยู่ณนะที่ใดที่หนึ่งที่เขาในความคิดของเขาะนะพวกนี้โดยมากเป็นกล่มสัสตตะพันญานที่เป็นนิโรธยานน่ห้าม ส, สตตตถิธิแต่ถ้าดูให้มันให้มันตามเหตุตามผลนะมันเหมือนกับเที่ยงจริงๆอ่ะมันเหมือนเที่ยงอยู่ตลอดเวลานะอย่าง อย่างกลุ่มสัสตตถิที่เนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคืออะไ ร, ระกลุ่มสัสตตถิเนี่ยแบ่งแบ่งเป็นใหญ่ๆเลยนะสี่ประเภทในพรหมชาลสูตรสี่ประเภทอะไรบ้างข้อแรกก่อนนะพวกระลึกชาติได้อนะพวกคำว่าระลึกชาติตัวนี้เนี่ยใช้กับอภินยาอย่างเดียวนะ เฉพาะที่นี้นะในในสูตรนี้ใช้กาพิญญาพวกนี้ระลึกชาติได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติสิบชาติยี่สิบชาติสามสิบสี่สิบห้าสิบชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาตินะว่าชาติโน้นโน้นเนี่ยเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นโคดก็สมัยไทยไทยเรื่องนามสกุลเลยนะ มีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นเศรษฐสุขทุกข์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นแล้วก็จุติจากภพนั้นแล้วมาเกิดในภพใหม่แม้ในภพใหม่ก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคดเศวยุสุขสเสรษทุทุกมีอาหารอย่างนั้นตายจากภพนั้นก็ไปเกิดอย่างนั้นอีกน ะ, ะเพราะฉะนั้นด้วยประการอย่างนี้แหลัสา์จึงเที่ยง แต่ว่ามันมีตายเกิดอ่ะเออคิดไหมพูดนั้นมันขัดกันเองไหมมีตายกับมีเกิดแต่ว่าสัตว์เนี่ยเที่ยงก็บอกว่าพวกลัทธิสัตตทิฏฐิหรืออุเชธทิฐิเนี่ยบางทีเวลาพูดแล้วมันขัดกันเองมันขัดยังไงบอกขัดบอกว่าตอนแรกบอกว่าเที่ยงใช่ไหมเสร็จแล้วบอกมีตายเกิดทั้นพวกนี้ก็จะเป็นสัตตทิฏฐินนะละเลิศชาติได้จากหนึ่งชาติถึงแสนชาติ กลมที่สองเนี่ยเราเลิกได้กว่าแสนชาติเนี่ยนะเป็นเป็นสังวัตกับเลยกลุ่มที่สามเนี่ยเราเลิกได้สี่สิบกับเนี่ย น, นละเราเลิกได้สี่สิบกับมันยิ่งเราเลิกไปเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่ามันคงทนอะ่ะมันถาวรเนอ่ยแต่มันเปลี่ยนรูปร่างตกลงมันถาวรหรือไม่ถาวรก็ถ้าถ้าไม่ได้ทําปริญญาในทุกขศัิย์มาเป็นอย่างดีนะพอมาเรียนสมุทัยศาสตร์นี้เข้าใจยากมาก ถ้าถ้าพื้นฐานไม่ใช่เป็นนักวิจัยขัน5是是่าใช่ไมไอไอการที่จะมาเรียนเรื่องปัจจัยเนี่ยนว่ายากเพราะว่าไม่เคยแยกแยะตัวขัน5เอาไว้ก่อนเลยทีนี้พวกที่พวกที่ที่หนึ่งนะละลึกได้ไม่เกินแสนชาติพวกที่สองละเลึกได้ไม่เกิน10สังวัตตกับวิวัตตกับก็คือประมาณ10มหากับพวกที่สมก็ไม่เกิน40สกับเนี่ยนะแล้วก็พวกที่สี่นักตักกะ ตั ก, กะตัวนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นหนึ่งบางพวกเป็นชาติชาตินุสริย า, ยานเนี่ยนะชาติอนุสรณ์ยาน อ, อ, อนุสรญาณเนี่ยพวกนี้ระลึกชาติได้บางทีก็เป็นพวกระลึกชาติได้ใช่เกิดมาและจำชาติกาเนิดชาติที่แล้วได้เพราะฉะนั้นพวกนี้จึงเชื่อว่าเที่ยงไก่พวกหนึ่งก็นักเดา อนนะก็พวกกลุ่มตักกะแบ่งเป็นสองพวกที่จําชาติได้เลือดลือชาติได้กับพวกนักเดาวกะกะนนะกะกะเอาใช่ใช่ใช่า ย, ช า, ย, ยางงั้นแหละของเราเป็นนักไหนของเราก็ไม่เด็ดสัตตานี่จะเป็นนักอะไรช่ยมันเลยไม่เข้ากับเขาเลยอพวกพวกสัตตาเนี่ยมันจะเห็นเหมือนกับว่ามันเที่ยงเหมือนสาระเนธมันอยู่มันคงทนไปอย่างงั้นแหละแต่จริงถ้าถ้าเห็นต่อแล้วนะว่าพวก ที่แทงตลอดนิโรศสัตว์นะถ้าดับตันหาได้วัตตะก็เป็นอันดับใช่ไหมเพราะฉะนั้นยานที่เป็นนิโรธทยานเนี่ยนะนิโรธทยานเนี่ยจึงดับกลมสัสตต ถ, ถิฐิปกตินี่สัตว์ทั้งหลายถ้าถ้าตกอยู่ในอุเฉท ท, ทิฐิถ้าเลิกตกอุเฉตถิติเข้าสัสตตถิฐิเลยเช่นกลุมที่เรียกว่ากลมแรกนะไม่มีศาสนาอะไรเลยเนี่ยตายแล้วศูนย์ใช่ไหม พอนักบวชนักสอนสาศาสนาสอนเข้าไปเออมันเที่ยงก็กลายเป็นเที่ยงไปเลยที่เขาเข้าใจว่าเที่ยงเพราะว่าเขาไม่รู้จักนิโรศะเนี่ยนะเมื่อเขาไม่รู้จักนิโรศะนี้เขาจึงสําคัญว่าเที่ยงโอ้ยไม่รู้ตายเกิดตายเกิดอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนะก็เลยเท่ากับเป็นจนํานวนในสภาพที่ที่อยู่เช่นนั้นเพราะไม่มียานในนิโรที่ดับตัณหาได้ เพราะนั้นนิโรธยานั้นจึงดับสัสตตทิฐินั่นเองพวกที่ได้อภิญญาพวกได้ที่พวกที่ได้ปัญญานี้นถ้าหากว่าถ้าหากว่าเขารู้วิธีทําปริญญาในในในในขันที่เขาระลึกได้นี่นะคก็จะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าได้เลยอพวกนี้ก็รู้สึกว่าเขาเหมาะมากแล้วเขามีอะไรอ่ะ เขามีอะไรอะเป็นประโยชน์ต่อเขามากเลยคือที่ที่จะช่างเห็นว่าเพราะมีสิ่งนี้เนี่ยนะสิ่งนี้จึงมีนะนี่เกิดที่ที่จะที่จะมองเห็นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะค่อนข้างยากที่จะเชื่อมกันโดยเป็นเหตุเป็นผลนะที่เรียกว่าสมมติว่าง่ายๆอดีตะเหตุ ผลปัจจุบันใช่แล้วก็ปัจจุบันเหตุอ น, ตอนาคตผลอ่นะอนาคตผลแล้วก็อนาคตเหตุอีกอนะหลักการอันนี้นะถ้าฟังไม่ดีจะอยู่แค่นี้ตลอดอกรรมนอดีตมาให้ผล ป, ปัจจุบันใช่แล้วกรรมปัจจุบันให้ผลในอนาคตทีนี้ถ้าถ้าศึกษาไม่ อีนะแล้วยืนอยู่แค่หลักการตรงเนี้อมันมีข้อตกเฉียงอย่างว่าเอางั้นเด็กที่เกิดมาในครันแล้วยังไม่ได้ทํากรรมอะไรเลยนะชาวนะหน่อยๆชาวนะก็ไม่ได้เป็นกรรมละและปัจจุบันเหตุไปให้ผลยังไงต่อไปอ่านะถ้าถ้าฟังไม่ดีนะเพราะปัจจุบันในเหตุเท่านั้นที่จะให้ผลนะซึ่งจริงๆไม่ใช่อดีตตะเหตุก็มาให้ผลอย่างนี้ได้อ่าตรงเนี้ยมันจะเริ่มซับซ้อนอย่างนี้แล้ว มันมันมีซับซ้อนดิว่าปัจจุบันในเหตุเป็นกุศลทำดีตลอดหรือทำชั่วตลอดมันมีว่าทำดีตลอดตายและอบายทำชั่วตลอดสุขติอันนี้คือคืออะไรที่มันมันเริ่มเรียกว่ามันมีอยู่นะที่มันซับซ้อนในบางกรณีเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มีกลุ่มที่เรียกว่าคนทำชั่วตกนรกเสมอไป ให้ลักหลักการอันนี้นะไม่ไม่แน่นอนหรือดีแล้วต้องสวรรค์ตลอดไปอันนี้ก็ไม่ใช่กติกาที่ว่ามันแน่นอนแต่ว่าถ้าว่าโดยรวมๆและกรรมดีให้ผลเป็นสุขใช่ไหมกรรมชั่วให้ผลเป็นทุกข์ที่นี่ในอดีตเราจะรู้แบบคนดีเนี่ยมันทําชั่วมาขนาดไหนอ้าวแล้วกรรมที่เขาทําชั่วไว้นาดีตไปเก็บไว้ไหนลนะ่ะเขาจึงเปรียบเหมือนกับว่าผู้ที่ศึกษาธรรมะทั้งหมดเนี่ย สมมติเราเห็นแค่เขามาเรียนธรรมะนะว่างๆเนี่ยแล้วเขาเข้าคุกอย่างเงี้ยนะเอ๊ะทำไมเรียนธรรมะแล้วยังเข้าคุกอีกเข้าคุกมาเดียเพราะเรียนธรรมะแต่ว่าทาชั่วที่อื่นมาอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะบางคนทําไมไปอยู่ในที่เลวร้ายแล้วได้ดีเอาได้ดีเอ า, เ อ, าอย่างเค ข, ข, ขาพูดถึงลักษณะบางคนเนี่ยชาติตระกูลบางบางคนเป็นคนดีใช่ไหมหนี้พ่อหนี้แม่แล้วไปอยู่ในที่ที่มันเสียหายตอนหลังไอ้คนเนี่ยเขาก็เอาไปได้ดีอีกเพราะคนนั้นเขามีอะไรอะ เขามีเหตุที่ดีใช่ไหมเขาเกี่ยวข้องที่ดีเพราะฉะนั้นเขาไปอยู่ในที่เสียหายในที่สุดเขาก็ได้ดิบได้ดีอีกจนได้อย่างที่พวก้การเล่าว่าลูกนายทหารท่านผู้ใหญ่ใช่ไหมไปอยู่ในสลัมนอะนะถ้าดูแบบธรรมดานจะ ง, งอกเงยได้ยังไงชีวิตนะอีกภาคเดียวเดี๋ยวพ่อแม่ก็ไปเอาไปได้ดีได้ต่อละไงมันไม่ได้แปลว่าอยู่ตรงนั้นมันจะต้องเสียหายไปตลอดอสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าชาตินี้ทําดีอย่างเดียวแล้วประกาศถึงว่าสุขคติแน่นอน ถ้าดีอย่างเดียวนะต้องโสดาปฏิมกักหรือได้ฌานนะฌานไม่เสื่อมถ้าอันนี้แน่นอนแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะอันนี้จะตาทำมาหมดเลยไม่แน่นอนถามว่าหน้าฝนเนี่ยตกแน่นอนหรือว่ามันตกไม่แน่นอนไม่แน่นอนแล้วหน้าแรงนะ้่มันต้องแรงแน่นอนใช่ไหมไ ม, ไม่แน่นอนเชื่อไหมเมษาที่สุรินน้ำท่วมปีที่มาจากเขมรนะ ก็มากลับบ้านน้ำท่วมก็คิดเมษานะปกตินี่มันแห้งแล้งสุดโทดเลยนะตีนั้นน้ำท่วมศูนย์ก็ที่กล่าวเมื่อกี้ว่าตายแล้วศูนย์ก็คือเวลาเราคิดถึงคนตายแล้วคิดว่าอย่างไงวิธีที่จะคิดว่าลักษณะศูนย์นะ ก็คือแหลกเป็นผุยผงไปหมดแล้วเผาแล้วจบแล้วหมดแล้วกลุ่มนี้เป็นอุจเฉด พ, พวกที่เป็นอุจเฉด ท, ท่าที่นี่คิดแค่รู้แค่ตายอ่านะคือพวกพวกอุจเฉตเนี่ยคิดแค่ตายว่าตายแล้วจบเลยเอ่นะหมายก็ว่าเป็นนี่เป็นศีลไปทาชั่วทำอะไรไว้ามากๆนะแก้ปัญหาถ้าตายแล้วก็จบเลย กลุ่มนี้เป็นกลุ่มอุเฉษแต่ถ้าเป็นกลุ่มสัตตะเนี่ยนะคิดแต่เรื่องเกิดอย่างเดียวมันแน่นอนยังไงมันก็เกิดอยู่แล้วละมันแน่นอนไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกมันแน่นอนลนะนิรันดร์มั่นคงเที่ยงอย่างนี้ตลอดไปพวกนี้เป็นกลุ่มสัตตะเพราะนละอุดเฉทททิฏฐิด้วยการกำหนดตัดใจหรือกาหนดสมุทยัย และสัสตะทสุจิด้วยการเข้าใจนิพนิพานเพราะนิพานนี่เป็นที่พ้นจากความเกิดแล้วะนะนิพานนี่ยเป็นธรรมที่ทําให้พ้นความเกิดเพราะฉะนั้นถ้าพ้นเกิดเท่ากับพ้นตายแต่ถ้าฟังไม่ดีพระนิพานอมาตะไม่ตายอ้าวแล้วผู้เจ้านี่แทงตลอดนิพานใช่ไหมใช่แล้วอยู่ไหมอ้าวแล้วทําไมบอกว่านิพานไม่ตายละ่ะใครที่บรรลุนิพานนี่จะไม่ตายอีกต่อไปเนี่ยนะ อ้าขัดกันไหมล่ะประเด็นจริงๆอ่ะพระนี่ผานี่ห้ามเกิดแต่ถ้าเกิดมาแล้วนี่ผานช่วยห้ามตายไม่ได้ก็สัตว์ที่เกิดมาแล้วตายหมดคนตายจะอยู่บนสวรรค์แล้วไม่งั้นก็เศร้าโศกพูดแบบนี้กยิ่งเอ่อ ว่าโดยรวมๆนะพวกที่คิดถึงชีวิตแค่วิ่งมาแค่ตายพวกนี้ตกอุเฉศพวกนี้เลยไปคิดแต่เรื่องเกิดอย่างเดียวพวกนี้เป็นอ น, นะพวกนี้เป็นกลุ่มศาสตส่วนใหญ่่าจะพวกะคนส่วนใหญ่อุเฉอ่มต้องถ้าเป็นสายวิ ท, า ย, วทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นพวกอุชเชนโดยเฉพาะวงการแพทย์ทั้งหลายเนี่ยนะหรือทหารบางกลุ่มเพราะพวกนี้คิดว่าท้าตาแล้วจบเลยใช่ไหมกับพวกกลุ่มศาสตาก็คือพวกรับที่ทั้งหลายเนี่ยนะพวกทิฏฐิก็มันมีแต่อันนี้ว่าว่าแบบกว้างๆกันนะแต่มันก็มีรายละเอียดเข้าไปอีกตั้งเยอะแยะก็ถาม แทย์ถามพยาบาลว่าโดยรวมๆแล้วเขาคิดว่าตายแล้วศูนย์หรือตายแล้วเกิดแต่พวกตายแล้วศูนย์นี่บางทีมันกลัวผีเหมืกันนะหน้าแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันกลัวผีแต่ว่าไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าตายแล้วเกิดอีกแต่ว่ากลัวผีเนี่ยนะก็สัตว์โลกอยู่ไปคิดอะไรมากมันเหมือนคนบ้านั่นแหละอ่าพวกสกายะเนี่ยนะไอ้ถามว่าไอ้ที่ตายที่เกิดเนี่ยคืออะไรอ้ะนะ ไอ้ที่ไปตายไปเกิดเนี่ยอะไรไปตายไปเกิดอะไรตายอะไรเกิดล่ะพวกนี้กลุ่มส ก, กายะเอ่อพวกที่อุเฉททิฐิไม่เคยคิดเลยไปหาที่ไม่เคยคิดเลยไปหาความเกิดใช่ั้ยซึ่งไม่รู้ว่าตัวเองได้ทํากรรมที่เป็นเหตุแห่งความเกิดเอาไว้แล้วแต่พวกสาตตาทิติเนี่ยก็ไม่รู้จักพระนิพพาน ที่เป็นที่ดับความเกิดเนี่ยนะที่เป็นที่ดับความเกิดอันถ้าไม่แทงตลอดพระนิพพานเนี่ยห้ามเกิดไม่ได้เพราะนิพพานนี่ห้ามเกิดถา้าเกิดผลของการเกิดก็คือแก่กับตายใช่ไหมถ้าเกิดที่ใดแล้วนะที่หลังจากนั้นก็ต้องมีแก่และมีตายพระนิพพานที่เรียกว่าแทงตลอดธรรมะที่ไม่แก่ไม่ตายก็เพราะพระนิพพานห้ามเกิดอันจึงเรียกว่าธรรมะที่ไม่ไม่แก่ไม่ตายเรียกว่าอตามตะธรรมเน่ย น, นะ มันยาณในนิโรสัจจะเนี่ยเป็นห้ามละสัสตตทิฏฐิทีนี้ย า, นนย า, นยานในอริยมรรคเนี่ยนยะมันมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มที่มีเฉพาะทุกข์ยานก็รู้ละขันห้าใช่ไหมบางทีก็เฉพาะละส่วนที่เป็นส ก, กายะได้เพราะแยกแยะว่าเออชีวิตก็คือขันห้าก็รู้ไปกว่านั้นอีกว่าชีวิตนี่เลย ความเกิดอขออภยัยชีวิตเนี่ยเลยตายใช่ไหมไม่ได้หยุดอยู่แค่ตายเท่านั้นนะยังมีเกิดต่อไปอีกพวกนี้นะโยนไปม า, มาตกเข้าสัสตสสตาอีกมันวิธีแก้แบบทั่วๆไปนะบอกไอ้คนนี้ไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าตายชาติหน้ามีจริงพูดซะจนเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงพูดไปพูดมามันเลยตกสัตตะเลยคนนี้แก้ไม่ได้ว่าชาติหน้ายังไงก็ต้องมีจริง พวกนี้ไม่ขวนขวายเพื่อจะแทงตลอดพันนิพานก็คือจำนวนให้ชาติหน้าว่าชาติหน้าต้องมีอยู่แน่นอนนะก็จำนนให้เลยที่จำนวนให้พันนิพานเนี่ยบางพวกนี้ปฏิเสธการปฏิบัติเรียกว่ากลุม่มอกิริยะทิฏฐิยาในมักษัตริย์ห้ามอากิริยะทิฏฐิคือเขามีบางศาสนาเชื่อว่าเมื่อเวียนว่ายตายเกิดไปจนถึงที่สุดแล้วมันจะบรรลุเอง เนี่ยนะหรือจะไปบรรลุที่นั่นที่นี่เมื่อนั่นเมื่อนี่เป็นต้นเนี่ยเช่นว่าโอ้ไปถึงพรห ม, มโลกแล้วก็ไปนิพพานที่พรหมหรือไปนิพพานที่อรูปพรหมนี่ก็ปฏิเสธอริยมรค น, นี่ผลพวกนี้ก็ตกอยู่ในฝ่ายอกิริยะทิฏฐิก็ไม่เริญมัรอะไรในบรรยายนที่ที่เข้าใจยาก ยาในสกายะเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความรู้เบื้องต้นถ้าแยกส่วนนี้ไม่ได้ที่จะมาแยกเป็นอุเฉทัติถิหรือสัสตตทิฐิก็ไม่ใช่ฐานะทีนี้ถ้าไม่รู้จักอุเฉทัติทิสัสตตทิฐิเนี่ยนะที่จะรู้จักพระนิพพานก็ไม่ใช่ฐานะถ้าไม่เข้าใจสามอย่างเลยเนะี่ปฏิบัติอะไ ร, รอ่ะเพราะว่ามรคนี้เป็นกิริยทิฐิเนี่ยนะคือพุทธศาสนาเป็น วิริยะวาธใช่ไหมวิริยะวาทะวาทะตัวนี้แปลว่าทิฐินะวิริยะวาทกรร ม, มาวาทใช่ไหมกรร ม, มาวาทหรือแต่ไม่ใช่ว่าปุบพระเหตุกะปุบพระกรรมนะไม่ใช่ยกให้กรรมในอดีตทั้งหมดนะผ<ป>ู้ <seconds. S 2> ศาสนาสอนเรื่องกรรมกรร ม, มาวาทีเรียกว่ากรรมะวาทีแต่ไม่ใช่ว่าปุบพระเหตุกรร ม, มเนี่ยหมายว่าโอแล้วแต่กรรมในอดีตไม่ใช่ คือสอนเรื่องกรรมเพราะหลักกรรมนี่มันเป็น12ใช่ไหมกรรม12เพราะมันต้องจำแนก อ, กอกีกแล้วผู้ศาสนาก็ยังเป็นวิริยะวาทะวิริยะวาทะก็คือสรนเสริญเรื่องความเพียรสอนว่าเพียรเพราะผู้ศาสนาจะเป็นแบบนี้วิริยะวาตกรรมมวาตเนี่ยนะพราะฉะนั้นจึงละอากิริยทิฐิเนี่ยนะเป็นการสอนเพื่อละอากิริยทิฐิไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย แล้วจะบรรลุเนี่ยไม่ใช่ขันยานในอริยสัจสีนี้จึงห้ามมิจฉาทิฐิสี่ประเภททบทวนว่ายานในทุกขสัตย์ห้ามสกายะทิฐิยานในสมุทัยสัตว์ห้ามอุเฉททิฐิยานในนิโรสัตว์ห้ามสัสตทิฐิยานในอริยมรรคห้ามอกิริยทิฐิไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยใช่ไหม อันนี้เป็นโลกิย า, ยานนะถ้าเป็นโลกุตระยานก็ก็ไม่โดยโสดาปฏิมรักเนี่ยละมิจฉาทิฐิแต่ถ้าหลังจากโสดาปฏิมรักแล้วก็มรรคชั้นสูงเนี่ยนะสากท า, าคามีมรรคเป็นต้นไม่ได้ละทิฐิอะไรมรรคชั้นสูงไม่ละทิฐินะถามทำไมเพราะละเรียบร้อยแล้วเขามีมีอยู่สูตรเนึ่ก็บอกว่า เลาที่ติดตะข่ายแล้วหลุดจากตะข่ายไม่ย้อนกลับมาที่เดิมฉันใดไฟที่มันไหมแลยนะเคยเห็นไฟมันย้อนกลับมาไหมอีกรอบนะไหมไหมจนเต้นเรียบหมดเลยนะแล้วกลับย้อนมาไหมที่เดิมอีกนะหันกลับเนี่ยมีไหมไม่มีฉันใดผู้ที่แทงตลอดอริยมรักแล้วก็ลักษณะนั้นอรนะอารยมรักเนี่ยนะถ้าแทงตลอดอริยมรักเนี่ยมรักจะไม่ต้องกลับมาเผากิเลส ท, ที่เดิมอีกต่อไปแล้วนะ กระดดดปลาที่ติดขายแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มาและไอที่ตรงนั้นเนี่ยนะเข็ดจนตายกับไฟที่ไหมแล้วไ ม, ไม่ไม่กลับในที่เดิมอีกอยากเราเรียนรเรอจุตปฏิสมนธนี่เป็นสสาสนาฏิหรือเปล่าก็เว่าคนเกิดมีจุตปฏิสเป็นสหรือเปล่าเอาานะช่วยตอบกันหน่อยคุณมนมีถามแนละ้ว พีมเนเรียนเรื่องจุติปฏิสนธิเนี่ยเรื่องความตายอมเกิดเนี่ยเป็นศาสนาพิธีหรือเปล่าูการตอบถ้าเรียนเรื่องจุติปฏิสนธิโดยที่ไม่เรียนเรื่องปัจจัยเนี่ยนะมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรมากมายเท่าไรหรอก เพราะว่าฟังไม่ดีมันก็จะเป็นพอจุติแล้วก็ปฏิสนธิเลยใช่ไหมก็โดยมากตกไปในสัจสตทิฏฐิคือถ้าถ้าไม่เรียนเรื่องจุติปฏิสนธิให้ละเอียดนะนะมันอ่มันจะตกไปในฝ่ายแห่งศัสตคือมันมีเงื่อนไขว่าพอจุติเกิดเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิใช่ไหม ถ้าเรียนอยู่เท่านี้เนะี่ยมันจะตกในสัสตตทิฏฐิทันทีทำไมจึงจุติทำไมจึงปฏิสนธิฉันถามว่าทำไมจึงปฏิสนธิแล้วปฏิสนธิเนี่ยนะถามว่าทำไมทำไมเขียนยังไงจังเกีรต <c oughs> อย่งนี้เหรอไม่มีหอนาเลย นะทําไมจึงไม่เกิดนั่นนะก็ขอป่ปทําไมจึงเกิดนะข้อแรกก่อนทําไมจึงเกิดข้อสองเกิดได้กี่แห่งอืก็อเกิดได้กี่แห่งนะนะั่นแหละเกิดคือเกิ ด, กดนะนะ เกิดได้กี่แห่งหรือเกิดที่ไหนนั่นนะเกิดอย่างไรนั่นนะ่ะชั้นแรกก่อนว่าถามว่าทำไมจึงเกิดจึงเกิดเพราะว่าเมื่อตายแล้วก็ถือว่าเกิดใช่ไหมก็ต้องย้อนว่าไอ้ทำไมจึงเกิดเพราะว่ามี ทําไมจึงเกิดทําไมจึงมีกรรมแล้วกรรมมันนําเกิดยังไงนะถ้าถ้าโยนมาที่กรรมไหมว่าทําไมจึงเกิดก็เพราะมีกรรมแล้วกรรมมันนําเกิดอย่างไงก็มาเข้าใจว่าก่อนจะตายเนี่ยก่อนจะตายมันจะมีีเรียกว่ามรณาสันนารวิถีเนี่ยนะมรณาสันนารวิถีเนี่ยหน่วงอะไรเป็นอารมณ์ล่ะ อารมณ์นั้นแบ่งเป็นก ร, รมกรรมนิมิตรคตินิมิตใช่ไหมมันมีอารมณ์อยู่3ามประเภทก่อนจะตายเนี่ยความคิดหน่วงอารมณ์หนึ่งก่อนจะตายเนี่ยจิตหน่วงเอ า, ารับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งพอจิตหน่วงรับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะอารมณ์อันนี้จะเป็นของพบใหม่ ทีนี้ถ้าก่อนจะตายห่วงไปหากรรมใดโดยปกติแล้วกรรมนั้นจะเป็นตัวนำเกิดเช่นว่าก่อนจะตายห่วงไปหาศีลและกุศลศีลเนี่ยจะนาเกิดก่อนจะตายและลึกถึงภาวนากุศลหรือเนลึกถึงกุศลหรืออกุศลก็ตามเนี่ยนะนึกถึงตัวใดตัวนั้นจะนาเกิดอันนี้เขาเรียกว่าอาสันนกรรมนะกรรมที่เรียกว่า ทำก่อนตายหรือว่ากรรมที่คิดถึงก่อนตายเนี่ยนะนึกได้ในก่อนตายนะอะไรมันน่านึกบ้างทาบุญไว้ตั้งเยอะแยะอย่างเงี้ยนะเอาตัวไหนดีไปนาเกิดตัวไหนที่เรานึกแล้วปลื้มใจที่สุดนะเอาวันนั้นนะนะผู้การเอาไมมธาตุแล้วลึกถึงไอ้ที่ไปปูพรมอะน น, นเอานะเจตนาที่ปูพรมอันนะัเอาเอาตัวนั้นแหละนำะอันนั้นไงนึกถึงนึกได้ก่อนตายนะ เราเระลึกถึงตัวนี้แล้วตายกรรมตัวนั้นนําเกิดหรือในส่วนอื่นๆก็ลักษณะเดียวกันนะ่าตรงนี้เหมือนกับว่าเลือกเกิดได้พอเลือกทํากรรมไว้แล้วนะถ้าเลือกทํากรรมก็เท่ากับเลือกเกิดแต่สําคัญว่าก่อนจะตายจะนึกหรือเปล่าแค่นั้นนะ่ะอตรงนั้นนสําคัญนะแต่ถ้านึกได้กรรมตัวนั้นนําเกิดได้แต่มันนี่อย่างหนึ่งมันไม่ยอมนึกกับเดินมาเองเลยอ่ เหมือนกับอยู่ในโลกแห่งความฝันตลอดเนี่ยนะอ่าพวกที่อยู่ในโลกแห่งความฝันตลอดเนี่ยมันเหมือนกับเคลิมฝันว่าเที่ยวไปตามที่ต่างๆอันนี้ลักษณะของคตินิมิตนะนะเออขอขออภัยคตินิมิตเป็นคตินิมิตนะพวกไหนที่เรียกว่าเหมือนว่าก่อนจะตายเนี่ยนะเหมือนกับอยู่ในโลกแห่งความฝันตลอดถ้าตายถ้าถ้าอยู่ในโลกแห่งความฝันเหมือนกับไปเที่ยวตามที่ต่างๆไปเรื่อยๆนะพวกนั้นเนี่ย ถ้าตายในตอนนั้นนะนั่นแหละคือที่ตายของเขามันก็คือเหมือนกับฝันะนะฝันเห็นตามที่ต่างๆอะ่อะพวกนี้เรียกว่าปรกลมคติตในเม็ด